พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17กุมภาพันธ์5 8มีชื่อเรื่องว่าผู้ว่าพาทมบุญวันนี้ พวกเราอำเภอนายุงมีหลวงพ่อเป็นหลวงหูหลวงตาเป็นสมณพราหมณ์อยู่ในท้องถิ่นท่านผู้ว่าท่านได้มาเยี่ยมเยียนมาทำบุญที่อำเภอนายยุงของพวกเราเห็นไหมลูกหลานคณะสัตายาติโยมตั้งแต่ปี2558มานี่นะตั้งแต่เดือนม ก, กรามาเนี่ย เดี๋ยวนี้ก็เข้าเดือนกุมภาฝนไม่เคยตกแรงถึงวันนี้เลยวันนี้ฝนตกแรงที่สุดะ อ, อแสดงว่าฝนตกต้อนรับทันพัว่าของพวกเรา <c oughs> เ อ, อที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยนี้ลูกหลานก็น่าจะทา ย, ยาติโยมทุกคนเ อ, อที่อยู่ที่นี่คงจะไม่ใช่หลวงพ่อพูดปลอพูดนะพูดจริงๆริเมื่อเนี่ยฝนไม่เคยตกแรงถึงขนาดนี้เลยปีนี้ปีห้าแปดนี่นะ วันนี้เนี่ยตกกระตกพอดีพอดีอีกต่างหากนะขณะที่หลวงพ่อไปบิณธบาติหลวงพ่อไม่ได้มีล่มอีกต่างหากก็วันนี้พราะว่าฝนคิดว่าฝนจะไม่ตกพ้าพระอย่างสอนสังขาตีให้เป็นสามชั้นอีกต่างหากว่างั้นถ้าหากว่าฝนตกในหมู่บ้านเนี่ยพระสังขารตีหลวงพ่อนี่จะพอแรงเปียกหมดเลยนะไม่คิดว่าฝนจะตกวันนี้แต่พอมาถึงศาลาขึ้นศาลาเรียบร้อยทุกอย่าง ฝนก็ตกล ง, ลงมานะแสดงว่าเทพเจ้าเราเทวาภูมิลูกะเทวดาคงจะยินดีปีดาอนุโมทนาในการทําบุญในครั้งนี้วันนี้นะและกระพร้อมกันก่อนที่จะหลวงพ่อเองจะให้สิน เ, เพราะว่าวันนี้ท่านจำนักพออุอุรานของเราจำนักพุใหญ่ท่านก็บอกว่าผู้ว่าพาทำบุญอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยาก ปโอบอดเรื่องอหมู่บ้านศีลห้าอย่างที่เจ้าของพระคุณสมเด็จวัดปากน้ำที่ท่านปารกว่าควรจะมีศิลหมู่บ้านศีลห้าออกมาทางสำนักพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็เข็นด้วยนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงก่อนที่จะให้ศีล เรียกว่าพาพาสมาพานาสมาทานศีลหลวงพ่อจะอธิบายให้อธิบายศีลห้าให้กับคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานาให้ได้ฟัง เ, เป็นพื้นฐานซะก่อนเพราะว่าลูกหลานเกิดมาใหญ่ทีหลังคงจะยังไม่เข้าใจเรื่องศีลห้าในรายละเอียดนะ แต่ว่าผิวเผอนั้นคงจะรู้ว่าสินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกไม่ดื่มทุราผิวเผินกับลูกหลานบางคนก่อนเรียงลําดับอาจจะไม่ถูกจะได้ซ้ําไป เ, เพราะไม่ได้สนใจมีแต่สนใจในการเรียนการศึกษาอย่างอื่นการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างอื่น เ, เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในพระพุทธศาสนามานานก็จะต้องอธิบายแนวสิน สิลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานได้ฟังนะแล้วก็พร้อมกันที่หลวงพ่อว่าเรียกหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเนี่ยล้วหลวงปู่นี่แล้วคณะสัตยาญาติโยมหลวงพ่อายุเจ็ปีแล้วนะท่านผู้ว่าเนี่ยยังเป็นน้องของหลวงพ่อนะหลวงพ่อน้องหลวงพ่อถึงสิบกบปีว่านั้นหลวงพ่อเกิดก่อนนะทุกคนอยู่ที่นี่ ถ้าเป็นข้าราชการถ้าเป็นข้าราชการแล้วก็หลวงพ่อต้องเกิดก่อนแน่ๆเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าท่านไม่รับราชการไปว่ากเกษียณอายุราชการก็หกสิบนะอันนี้ถาาว่ายังรับราชการอยู่กรแสดงว่าเป็นน้องของหลวงพ่อทั้งหมดนะอหลวงพ่อว่าพวกน้องๆทางหลายเพราะเพราะพวกท่านเกิดทีหลังนะเอก็ตกน้องๆทางหลายฟังๆโน่นนะ หลวงพ่เลยหลวงพ่อเลยจะมีอะไรจะเล่าเล่าให้พวกลูกหลานได้ฟังคณะสัตยาญาติโยมได้ฟังเรื่องศีลห้าอันดับแรกเนี่ยที่พวกเราได้กล่าวอาราธนามายังพันเตวิสูงวิสูงรักณัดถายะเรียกว่ามายังพันเตตีสละนันตระปัญจะศีลานยญาจามะคือการอาราธนาศีลเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างแต่อาราธนาศีลอันหนึ่งก็คือ กิสุงวิสุงข้าพรเจ้าไม่มั่นใจในการสมาทานศีลในครั้งนี้เพราะว่าการรักษาศีลจะรวบรวมทั้งหมดทั้งห้าข้อคงจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่พวกเรามันมินแมหรือว่ายังไม่มั่นใจข้าพรเจ้าขอสมาทานศีลเป็นข้อๆคือขาดข้อ1ก็ยังอีก4ข้อขาดข้อที่2ก็ยังอีก3ไล่ไปเลือยจนถึง ข้อที่5อันนี้คือวิสุงวิสุงนะแต่เมื่อยังพันเตติสรเนธสหปัญจะเนี่ยข้าไปเจ้าขอสมาทานสินรวมทั้งห้าข้อรวมกันทั้งหมดเพื่อจะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้ง5ข้ออันนี้ก็คือปัญจศีลาแปลว่ารักษาศีล5ข้อพร้อมกันแต่หลวงพ่อให้หลวงพ่อแนะนำนะหลวงพ่อก็จะบอกว่าควรจะรักษาศีลปัญจะศีลาเนี่ยจะรักษาศีลทั้งที จะประกอบคุณงามความดีทั้งทีจะทําขยึกขยักขยักขย้ขยขยอนออมันควรจะมั่นใจและประกวรจะตั้งทําด้วยความตั้งใจที่เราจะตั้งสัตว์ว่าจะรักษาศีลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือวันนี้ตลอดทั้งวันหรือว่าขณะที่พวกเราอยู่ในศาลาแห่งนีเ้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานในการรักษาศีลของเรา เมื่อได้สิ่งไหนมาก็จะได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วย เ, เต็มกรอบเต็มกรํารไม่ใช่ว่าได้มาทีละนิดทีละหน่อยไม่น่าจะดีนะหลวงพ่อว่านะเพราะฉนั้นการอาราธนาสินก็เหมือนกันถึงจะรับอาราธนาอย่า ง, งานั้นก็เถอะนะแต่เราตั้งเจตอธิษฐานให้เป็นศิลห้าเข้าไปเจ้าจะรักษาศินวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือเข้าไปเจ้าจะรักษาศินอาทิตย์นึง เดือนหนึ่งปีหนึ่งหรือตลอดชีวิตนะได้ทางนั้นแหละด้วยความเจตนาหังพิเกเขวกำมังวดาิเจตนาเป็นหลักถ้าเรามีเจตนาจะรักษาศีลเท่าไหร่เราก็ตั้งจิตให้แน่วแน่อธิษฐานในการรักษาศีลอย่างที่เราก่อนนอนคืนกลางคืนเรานอนไหวพระเศียรเข้าไปเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดคืน ข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าตลอดคืนนี้เอตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็รักษาศินแล้วก่อนนอนเอแต่มีอะไรเกิดขึ้นในกลางคืนะ่เราจะไม่จะไม่ไม่ให้ผิ ด, ผดสินผิดสินโดยเด็ดขาด อ, าอันนี้ก็คือเป็นศีนเหมือนกันนะขันธ์ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะเอแล้วก็สินแล้วก็หลวงพ่อจะกล่าวว่านะโมเห็นณนะโมตัสสะปะคะวโตราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ความแปลหรือความหมายของน้ำโม ว, ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระองค์นั้นก็คือพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวนี่ยนะพุทธังทำ ม, มังสังขังจรรนางคัจฉามิพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวซึ่งว่าพุทธะข้าพเจ้านอบน้อมพระพุทธเจ้ า, พ, าพระองค์นั้นทําไมเราจึงได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่ท่านประกาศออกมาคือศินห้าเนี่ยก็คือศินของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเราได้ฟังเหตุผลแล้วเรายอมรับว่าสินห้าของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลมีคุณค่าจริงเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก่อนที่จะรับสินข้าพเจ้าจึงขอนอบน้อมเอ่ยคาระวะผู้ต้นคิดเรื่องศินห้าเรื่องศินห้านี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจรึงว่านามโมสามจบจากนั้นก็พุทธัง ทำมังสังขังสารณะกัจฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพุทธังคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นได้ประกาศพระธรรมเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านรู้สยามภูแบบว่ารู้แจ้งโลกทั้งหมดทุกแง่ทุกมุมดีชั่วอะไรทุกอย่างพระพองค์รู้หมด เมื่อท่านรู้หมดท่านท่ก็กประกาศพระธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นเราจรึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นพุทธังสรารนางคัตฉามิเรายึดพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งธรรมมังสรารนางคัตฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาโดยแล้วเป็นธรรมคำสอนที่ลึกซึง้งเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบจริงๆจะิงเจ้าธรรมมังสรารนางคัตฉามิ สังคังสรงารนางคดฉามิคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าว่าพระสงฆ์ไม่ได้นําพระธรรมมาประกาศเผยแผ่นะ่ะพวกเราจะรู้พระธรรมได้อย่างไรเออเพราะก็คงจะหมดในสมัยยุคสมัยนั้นอันนี้พระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยผแพ่เป็นยุคยุคมาจนถึงปัจจุบัน เราถือว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเราจึงยึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนีจึงว่าพุทธังธำมังสังขังสารนางคัจฉามิโดติยามปีฆะไปเจ้าขอยืนยันเป็นครั้งที่สองว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตาติยามปีฆะไปเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สนะ ยืนยันถึงสาครั้งว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีล เ, ยเลยหลวงพ่อจะเป็นผู้พากล่าวเป็นผู้พานําสมาทานศีลปานาติปาตาเวรมณีศิกขาปัทังสมาธิยามิฆ่าไปเจ้าจงอดเว้นในการฆ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าไปคิดฆ่ากันเน้อนี่คือศีลของพระพุทธเจ้าแล้วณนะที่นี่นะอย่าไปคิดฆ่ากันนะใช่ ถ้าเราไปฆ่าคนอื่นก็ฉาใจพราะเราไปฆ่าเขาใช่ไหมอยังฆ่าหมาฆ่าอคนดุแล้วกฆ่านักเลงฆ่าอะไรหนึเราฉาใจอพราะเราไปฆ่าเขาแต่พวกเขาที่ถูกฆ่านะเขามีความรู้สึกยังไงเสียใจยังไงฮอันนี้เราไม่สามารถที่จะดูเข้าไปดูในจิตใจของเขาได้แต่เอาเถอะเีนี้เมื่อเขามาฆ่าเราเถอะ มาฆ่าเรามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนั่นแหละรู้สึกอะไรเนี่ยพ้อยหลเมื่อเราไปฆ่าเขาเราไม่รู้สึกนะแต่เมื่อเขามาฆ่าเราเนี่ยเรารู้สึกทันทีแหละพ้อยไหลเพราะมันทกใจจริงๆช้าใจจริงๆครอบเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นท่านเป็นกลางนะท่านบอกว่านเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียใจ ในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นอยากคิดฆ่ากันเนะ้ออันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาธานาเวรมะณีเราไปขโมยสิ่งของของเขาเออเขาก็เสียใจในเมื่อเขามาขโมยของเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันถึงจะเป็นขโมยเล็กน้อยก็เถอะนะถ้าเป็นขโมยแล้วงวยของเราไปเลยของเราหายไปเราก็เสียใจถ้าขโมยรถ ขโมยวัวควายขาโมยเพชรนินกินดาขาโมยสิ่งของของเราที่เรารักนะตลอดถึงขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยนะเรามีความรู้สึกอย่างไรเสียใจไหมเสียใจในเมื่อเราไปทําให้กับคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สองว่า อาทินนาธานเวรมณีอยากขโมยของกันเนอร์ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันถ้าหาว่าเป็นขโมยโพยจนและซึ่งกันและกันแล้วจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนในสังคมที่พวกเราอยู่นั้ น, น, นอันนี้คือสีนข้อที่สองอัตข้อที่สมกาเมสุมิชายาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขากรักสงวนห่วงเห็น ถ้าเราเป็นล่วงล้ำเขาล่ะไปกระชากรากถูล่ะทำผิดกฎหมายบ้านเมืองล่ะเขาก็เสียใจถ้าเขามากับทากับเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนอ้อเพราะต่างคนต่างมีพ่อแม่พี่น้องปูญญ่ย่าตายายวงศาคณาญาติของเราเรารักสังหวนห่วงแห็นตระกูลของเราเขาก็เช่นเดียวกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนอ้ออันนี้คือสินข้อที่สาม ข้อที่สี่มุษาวาทาเวรมณีเราจะไม่โกหกต้มตุลนหลอกลวงคนอื่นเขาในเมื่อเราไปต้มตุลนหลอกลวงคนอื่นเขาเอาเขียนเช็คแดงให้เขาย้อมตะกัวไปขายให้เขาเอาก้อนห็นไปบอกว่าเหล็กไหลไปให้เขาเอแล้วก็โฆษณาจนเขาเชื่อผลให้สุดเขาได้จ่ายเงินเอ่แล้วก็สิ่งของโกหกเขารู้รู้ว่าเราโกหกเขาเนี่ยเมื่อเขา ได้ของไปแล้วนาะไม่ใช่ของจริงเนเออเขาก็เสียใจแต่เมื่อมาถูกกับเราละ่ะถ้าเขามาต้มตุ๋นเราละ่ะอย่างที่เราไปต้มตุให้เขาเนะ่ะเป็นหลอกโกโหกเขานะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการโกหกกันต้มตุ๋นหลอกลวงกันเออไม่เป็นผลดีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมันยัดสิงข้อที่สี่ เยาว์ามุสาวาทเาวรามาเนะข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์บางคนว่าดื่มเบียร์นี่ผิดไหมเนี่ยมันพบมันมีอยู่ในสินแล้วสุราเมรยะมชะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททุกวันนี้ มันมีหลายอย่างยาบ้ายามาคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเค น, น, น, นจะเป็นอะไรอะไรก็ตามถ้าหากว่าเสพหรือดื่มเข้าไปแล้วขาดสติทำให้สมองออปั่นป่วนขาดสติอันนั้นถึงจะไม่มีชื่อก็ตามอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาลาบละลวงส า, สามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โก็หกใครก็ได้เพราะรอะไรเพราะคนขาดสตินะ่ะนี่แหละคนขาดสตินีถ้าจะเปรียบเทียบ ก, ก็เหมือนอลูงซิ่งอยู่บนหลังคาศาลาของหลวงพ่อเนี่ยนะเออถ้าหาว่าฝนตกลงมาเนะี่ต้องเปียกเฮ้เพราะรอะไรเพราะไม่มีสังกสีมุงบังเแดดออกมาก็เปียก อพื้นศาลาแปลว่าศาลาหลังนี้อยู่ไม่ได้ไม่ผาสุกเพราะเหตุรเพราะไม่มีอลูซิ่งไม่มีสังกษีไม่มีกระเบื้องมุงหลังคานี้ก็เหมือนกันศินข้อที่ห้าเหมือนกระเบื้องมุงหลังคานะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะพรา ะ, ะไหตุเพราะวัชดชนคนขาดจิดตเนะี่ยวนคนขาดจิดตมันไม่มีอะไรที่จะยับยั้งได้สักอย่างเลยเสียหายทั้งหมดทั้งคนเลย ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรพ้นควรขาดสติก็รู้อยู่แล้วในเมื่อเสพแล้วหื่เมื่อไปต้องขาดสติเราจะไปเสพไปดื่มให้โง่ทําไมแท้เนี่ยเราต้องระวังครเพราะฉะนั้นศิ่งห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกๆท่านนะวันนี้เป็นวันที่ท่านผู้ว่าพาสมาทานศิ่งห้าอีกต่างหาก วันัขอให้ลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกคนให้มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดทั้งวันอย่าให้ขาดตกบกพ่องอย่าให้ขาดก็จะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพอมารับมารับศีลพร้อมกับหลวงพ่อพร้อมกับพ่อจังหวัดของเราคือท่านผู้ว่านะาตอนนี้ไปเมื่อคณะทาย า, า, าติโยมรู้ คุณค่าของศีลแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำจะมาทานศีนลนนที่นี่นะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนานิผูติงยันติตัศมาสีลังวิโสทาเยสในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้มริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี นายนัทสิทธิ์วงตลาดกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเลนเชิญครับครับกับนมส ก, การพระเดววุคุณหลวงพ่ออินทวยัยสันตุสกโกเจ้าวาดวัดป่านคาน้อยประธานสงฆ์ที่ขรุขระสูงพระเถรลาวุเถรราชที่เขรุ่างสูงทุกค ร, ร, กรกกูกาเปลียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัธานีท่านผู้ว่านพวัสิงศัดาประธานในพิธีที่ขรุขระสูงกระผมนายนัทสิทธิ์วงตลาด ผู้อำนวยการสํานัก ง, งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีรู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาทโครงการผู้ว่าพาทำบุญและการขับเคลื่อนโครงการสร้างความพรองดองสมานฉันดโดยใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลท่าจังหวัดอุดรธานีประจําปีพุทธศั ก, การาช2558ครั้งที่หนึ่งในวันนี้ กระผมใค่ขอนําเรียนความเป็ี่ยนมาเพื่อโปวดทราบดังนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบ ป, ปัญหาการแตกแยกทางความคิดการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมและการจับยัวงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติตลอดจนการกระทําความผิดกฎหมายปัญหาอาชญากรรมการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการระ บ, บาดของสิ่งเสียบที่ดและอบายามุก ซึ่งเป็นปัญหาล้วนเกิดจากการขาดศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแยง้งพระสง่งโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคราจารผู้ปฏิบัติหน้าที่สูงในพระสังฆราชมีดําริที่จะเสริมสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสุขมีความสมัครสมานสามัคคีโดยให้พุทธศาสนชนได้น้อมนําหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตประกอบกับคณะรักษาวความสมแห่งชาติได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้ร่วมมือกันดําเนินการสร้างความปองดองสามัญั น, นทําให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเริ่มจากครอบครัวหมู่บ้านตนําบลอําเภอจังหวัดซึ่งจะนําพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยและยั่งยืนจังหวัดอุดรธานีโดยท่านผู้ประการจังหวัด จึงได้จัดทําโครงการผู้ว่าพาทำบุญและการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสามานฉันดโดยใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาะสิน่าโดยมีวตัตถุประสงค์ดังนี้ประการที่1เพื่อถว า, ายเป็นพระกรุส่วนแด่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมน็ทพระนางเจ้าพระบรมราชาินีนาประการที่สองเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสามานฉันดลดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ประการที่3เพื่อให้ประชาชนได้นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ดำเนินการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประการที่4เพื่อปลู ก, กจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรักและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ให้เป็นสถ า, าบันหลักของประเทศได้อย่างมั่นคงการดาเนินงานทั้งสองโครงการได้กําหนดควบคู่กันไปในคราวเดียวกันโดยกําหนดวัดในจังหวัดอุดรธานีซึ่งครอบคลุมทุกอาเภอ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินโครงการดังกล่าวโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ต้องานิชนทุกหมูเ่เหล่าบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกระผมไคขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ว่านพรวัชสิงห์ศักดิ์ดาได้กราบพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมโครงการครับ ข, ขอกราบเรียนเชิญครับผม กราบนวัต ก, การพระอาจารย์อิถวายสันตุสโกเจ้าวาดวัดป่านาคําน้อยที่เคารพอย่างสูงยิ่งพระเถรานุเถระที่เคารพทุกรูปท่านในอำเภอนายูงท่านผู้ในการพนักงานผู้ศาสนาจังหวัดอุดรธานีท่านหุวนาส่วนราชการข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนายูงที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีและ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเก็บมาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าพาทำรรบุญและการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมูบ่บ้านศหมูบ่บ้านรักษาศีห้าของจังหวัดอุดรธานีประจำปี2558เป็นครั้งที่หนึ่งในวันนี้ตามตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเร็จแทนพูดปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมีดำริที่จะเสริมสร้างความปลองดองสมานณ์ฉันของคนในชาติให้เกิดความสงบสันติสุขมีความสามัคคีกลมเกลียวกันโดยให้ผู้ทศกัณฐ์ได้น้อมนําหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวันกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่รวมมือกัน นับว่าเป็นวิสัยทัศนดีที่จะนำพาสังคมไทยกลับคืนสู่สภาวะสงบสุขอีกครั้งเพราะนอกจากเพื่อถวายเป็นพระราชนิพนธแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชีนาธแล้วอยากจะทําให้คนไทยมีจิตสํานึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นกําเนิดของตอนเองด้วยการสร้างความรักความสามคัคคีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ถ้าทุกครอบครัวบูบ้านชุมชนตำบลและสังคมมีความรักความเข้าใจครบในความคิดเห็นของกันและกันมีความเอื้อเฟื้อเป็นสังคมเคลือญาติก็จะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วจะเกิดพลังใจให้มีความประหนะรักปกป้องเชิดชูถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งจะส่งผล ให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืนสืบไปจอดอรธานีถือว่าเป็นจังหวัดที่ผู้อยู่อาศัยในจังหวัดนี้มีบุญอย่างยิ่งเพราะในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพระอริยสงฆ์อยู่มากมายในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีนับว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราบวร น, นาพาในการสักการะ บ, บูชายอย่างสูงยิ่งนับว่าเป็นโชคดีของชาวอุดรธานี ที่ได้รับใช้พระประสงค์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นจึงถือว่าตัวดอนทนีเราเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งควรจะน้อมนำเอาหลักสีท้ามาสู่ตนเองและครอบครัวเพื่อที่จะยึดถือปฏิบัติให้อยู่ในทํรนองคองธรรมให้ประเทศชาติได้เกิดความสงบสุขร่มเย็นและเป็นอนิสง์แก่ผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยในวันนี้ถือเป็นการดาเนินโครงการผู้ว่าพาธบุญเป็นครั้งแรกซึ่งเริ่ม ที่อำเภอนายูวัดป่านาคาน้อยในวันนี้แล้วก็ได้พวกเราโชคดีได้รับฟังการบรรยายธรรมของหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกซึ่งพระเดชพระคุณได้กรุณาให้โอวาทและให้ความหมายของสีลห้าให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในวันนี้ก็อยากจะให้พุกษาธิกชนทุกท่านได้น้อมนำสิ่งที่หลวงพ่อได้ ให้กับเราไว้ในวันนี้ไปถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่แล้วรวมมือกันจนทำให้เกิดโครงการผู้ว่าพาทมบุญและการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันดโดยใช้หลักธรรมทางผู้ศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองโครงการจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกคนทุกครอบครัวทุกหมู่บ้านชุมชนตาบลและสังคมโดยสวนรวมตลอดไป ขอขอบคุณและขออนุโมทนากับกุศโสจิตที่ทุกคนได้กระทําร่วมกันและขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อไอทวายสันตุสโกที่ได้มีเมตตาแก่พวกกระผมในการทําบุญในครั้งนี้ด้วยขอกราบน้มักการ์บหลวงแรกท่านสำนักพุทธจังหวัดอุดรเป็นผู้บารอบและก็ท่านผู้ว่าเป็นผู้ขายายผล ทั้งสองท่านที่พูดให้ฟังหลวงพ่อเป็นผู้นั่งฟังทั้งสองออทั้งจำนักพุทธมีจุดประสองค์อะไรทั้งท่านพูว่าท่านก็อธิบายให้ฟังท่านมีจุดประสองค์อย่างไรในการทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้หลวงพ่อฟังแล้วมีเหตุมีผลเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมเป็นธรร ม, เ ป, รรมเป็นวินยัยเป็นจริยธรรม คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างดีเพราะนั้นให้คณะัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปกั่นกลองไตรตรองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ น, นำมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันขัดตกบกข้องสิ่งที่มันที่มันไม่ดีในตัวของพวกเราแต่ละท่านและให้ให้ดีขึ้นหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ ประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศชาติของเราจะเริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะเพราะเหตุว่าปีนี้ก็เป็นปีที่พวกเราพวกเราจะเข้าประชาคมอาเซียนแล้วนี่พวกเราก็ควรจะตั้งหลักให้ดีอันไหนไม่ใช่ว่าเราจะทำสิ่งที่มันไม่ดี เ, เที่ยว เลาเลาะแล่แ่างเก่าทาสิ่งที่ริ่งที่มันไม่ดีประเทศอื่นเข้ามาเพล่เพล่เาจะมาเป็นหลักมาเป็นใหญ่เพราะนั้นประเทศไทยของเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเป็นเมืองที่ไม่เคยขึ้นกับประเทศไหนลมนานแต่มามาคราวนี้เราจะต้องเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าของเขามันจึงจะถูกนะแต่พอมาถึงจุดนี้พวกเราเดินตามหลังเขา ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตา ย, ยาญาิโยมทุกหมู่เหล่าทุกระดับขั้นตั้งแต่ผู้ใหญ่ตั้งแต่หลวงพ่อเนี่ยแหละเป็นต้นไปนะหลวงพ่อก็จะเป็นผู้เป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่อชุมชนสังคมเหมือนกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีจะไม่ทําสิ่งนั้นนะจะคิดดีทดําดีพูดดีในชุมชนสังคมแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็เช่นเดียวกัน แล้วก่อนที่จะคิดดีทำดีพูดดีในจุดนั้นน่ะในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านบอกว่าให้จิตใจเป็นสมาธินะถ้าว่าให้คนที่กินเหล้าเมายายาเสพติดทั้งหลายเป็นคนคิดน่ยก็คงจะคิดไม่ได้เพราะคนขาดสติใช่ไหมหรือว่าคนที่เป็นบ้าบ้าบ้องๆให้คิดเนี่ยก็คงจะคิดไม่ได้เพราะนั้นต้องหาคนที่มีสติสัมปชัญญะ คือมหาสติมหาปัญญาถึงไม่ไม่ถึงกับมหาสติมหาปัญญาก็เถอะเป็นผู้มีสติปัญญาสมบูรณ์มีปัญญามีสติสัมปชัญญ ะ, ะนี่แหละอันนี้ก็คือจุดนี้เป็นจุดที่จําเป็นและสําคัญในชุมชนในสังคมของพวกเรา อ, อย่างที่ท่านพิพากษาท่านหนึ่งหลวงพ่อมาอยู่มาสร้างวัดป่านาคําน้อยท่านก็มาได้มา นอนรักษาศีลอยู่ที่วัดกับคณะของท่านนะท่านพูดขึ้นมาหลวงพ่อยังจําไม่ลืมกระทั่งทุกวันนี้นะคือท่านพิพากษาในท่านอยู่ทางจังหวัดสุพรรณและท่านก็นมาเป็นพิ่ภากษาสารต้นๆพอก่อนนะอพอต่อมาท่านก็เอ๊ะทำไมเมืองอุดอรของเราเนี่ยมาอยู่แล้วทําไมคนง่มอมลุ่มหลง ม, มมงมัวเมางมงายพอถึงวันพระแล้วก็หายเงียบ เออออกจากบ้านไปตักบาตรคงจะลุ่มหลงเกี่ยวกับหวยกับเบอร์กับมากงนท่านก็คิดนะเพราะว่าตอนตอนตอนตอ น, ตอนเช้ามาเนี่ยชาวบ้านหายเงียบไปพวกไปทำบุญกันตามวัดต่างๆเพราะสมัยนั้นมีวัดเยอะนะมีวัดหลวงปู่เทศวัดหลวงปู่ฟันวัดหลวงปู่ขาววัดหลวงตาวัดแถบ เราแวดอุดรก็มีต่างเยอะแยะต่างคนก็ต่างไปวัดกันท่านก็เลยเพ่งมองไปทางที่ว่าเอ๊ะคงจะเป็นลุ่มหลงมงมงายในเรื่องหมอดูหมอเดาเกี่ยวกับเรื่องหวยเรื่องเบอร์ใช่ไหมอพอตะมันทั้งก็ได้สังเกตสังเก ต, เกตวันหนึ่งวันหนึ่งท่านก็เลยเขาบอกมาว่ามีถ้ากองเพนวัดหลวงปู่ขาวเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในป่าดงคงไฟพระท่านอยู่เอ๊ะ เขาว่าเป็นถ้ำจะไปดูนั้นพระทำไมไปหาอยู่ในถ้าในภูผาป่าไม้ยอย่างนี้ท่านก็เลยไปกับคณะสองสามท่านพอไปท่านก็เดินเข้าไปไปได้โอ้ทำไมพระเขาจึงอยู่ในโขดหินก้อนหินอยู่ในถ้ำอย่างนี้ท่านก็เดินแปลกๆเท่านัเพราะท่านอยู่ทางภาคกลางฮะพอไปไปเห็นหลงปู่ขาวท่าก็ไม่รู้จักว่าหลงปู่ขาวอยู่ตรงนั้นอีกท่านก็ขึ้นไปก็เห็นพระแก่ๆองค์หนึ่ง ขึ้นไปท่านก็นั่งอยู่ตามลำพังเอท่านพิภากษาเนี่ก็หนุ่มเนี่ก็ขึ้นไปก็ไปกราบพอไปกราบท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านถามเออมาจากไหนมาจากอุดรครับผมทํางานอะไรผมเป็นพิภาคษาครับ อ, อยู่ที่อุดรเอหลวงปู่มั่นไอหลวงปู่ขาวก็เลยบอกว่าเออท่านพิภาคษาอย่าไปพิภาคษาแต่คนอื่นเขานะให้พิพาคษาตัวเองด้วยนะ อต้องคิดดูว่าแต่ละวันเราคิดผิดคิดถูกทำถูกทำผิดพูดผิดพูดถูกให้พี่ภากษาให้มองตัวเองด้วยนะเน่ยอย่าไปคิดแต่เห็นแต่ความผิดของคนอื่นให้มองตัวเองด้วยให้พี่ภากษาตัวเองด้วยพ่อหลวงกูขาวพูดเพียงเท่านั้นแหละจะดุ้งเลยผมโอ้ใช่เออท่านพูดท่านพูดกินใจนี่แหละ ท่านพูดกินใจจากนั้นมผมก็เลยสนใจศึกษาเรื่อง เ, อเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องภาคปฏิบัติาจากนั้นผมก็ได้ศึกษาจนได้ลงมือปฏิบัติเลยตรนี้นั่งสมาธิภาวน า, าทุกอย่างผมทําหมดโอ้จิตใจของผมได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นจุกอย่างมากท่านาแล้วก็ผมได้ใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนั่งภาวานานผมก็นํามาใช้เกิดประโยชน์สำหรับผมอย่างมากที่ผมเป็นพิพากษาบางทีคดีความขึ้นมาเนี่ยทั้งสองอย่างเอเราจะตัดสินยังไงนะคดีอย่างนี้นะเออวันนั้นเราก็ต้องหันเก้าอี้เข้าไปทางฝาแน่นนนะเออพอไปหันหันเก้าอี้ไปทางฝาผานังเสร็จแล้วก็นั่งหลับตา นั่งหลับตาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโผพุทธโผพุทโผทําใจให้เน่งทําใจให้สบายสบายไม่ต้องวิจกกังบนทําใจให้เป็น ก, นกลางๆที่สุดเออแต่ลูกน้องเขาบอกโอ้หัวหน้าคงเ อ, อไม่ได้พักผ่อนมั้งลูกหัวหน้าคงจะอยากจะนอนหลับขคงหัวหน้าคงจะคงจะพักผ่อนนอนหลับคแต่ไม่ใช่ผมภาวนาครับเ อ, อจากนั้นนพอหัน เก้าอี้เข้าหาฝาแต่ล้ประมาณสัก10 20นาทีผมหันหันหันหน้าออกมา อ, าออกมาก็มาอ่านอ่านคดีความที่เขาส่งรายงานขึ้นมาทั้งโจทย์ทั้งจำเลยมันจะตัดสินใจในใจของผมได้เป็นมั่นคงเลยต้องตัดสินใจอย่างนี้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องสมาธิเนี่ยเอามาใช้เกิดประโยชน์จริงๆครับท่าน ผมตัดสินมาไม่เคยผิดพลาดเลยและก็ตัดสินด้วยความมั่นใจอีกต่างหาก เ, เพราะว่าผมดูทางจิตใจของผมใจของผมเป็นกลางซะก่อนนิ่งซะก่อนจิตใจให้สงบซะก่อนแล้วจะมาตัดสินใจนี่แหละอันนี้คือที่เราจะใช้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาสมาธิของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น เ, เราต้องเดินดูคิดดูย้อนดู กำหนดดูเจตนายกทําทใจให้เป็น ก, กลางทําใจให้ว่างว่างแล้วค่อยตัดสินใจหลวงพ่อคิดว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่รู้จักใช้ทําประโยชน์ให้กับตัวเองเแต่หากว่าจิตใจของเราว้าวุ่นเข้าข้างนู่นเข้านี่ฉันทากติโทสักติโมหติพยะกติเต็มในหัวใจของเราของจิตใจของเราจะไม่เที่ยงไม่ตรงไม่มั่นคง ไม่มั่นใจในการพูดนั้นคนที่สูญก็ผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ เ, เป็นครตกาญจจะตัดสินเรื่องอะไรเรื่องอะไรต้องอต้องจิตใจต้องเนิ่งซะก่อนต้องเป็นสมาธิทซะก่อนจะเกิดประโยชน์ต่อพวกพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อเองก็อยากจะบอกกล่าวแนะนําเรื่องพุทธศาสนา แต่ว่าเรื่องที่หลวงพ่อคือว่าเกิดแก่เจ็บตาย่จะไปลุ่มหลงลุง่มหลงมัวเมามากนะก็เหมือนเอาความตายมากู่กันแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ก่อนที่พวกเราทุกคนมันมีจุดจบอย่างนั้นจริงจริงไม่มีใครที่จะหลีกเลี่พ้นไปได้แต่กเอาเถอะ เ, อเราก็ยอมรับว่าตายจริงจริงไม่มีอะไรแต่ว่าตายแล้วเกิดจุดนี้แหละตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญเอ๊ะสงสัย ใครเ อ, เ, อเอาเอาเรื่องอะไรมาพูดนในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้นั่งภาวนานะการสัตยา ญ, ญาิโยมลูกหลานนะนั่งภาวนาให้ทำใจให้จิตใจให้สงบนั่งอย่างพระประธานนั่งองค์ดอพระประธานใหญ่ในเมื่อท่านนั่ง เ, เมื่อนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก ไม่ให้จิตใจของเราเคิดไปในอดีตอดีตคือคืนเมื่อวานนี้วันก่อนไม่ต้องคิดถึงอนาคตวันพวกนี้มาลือมาลือไม่ต้องคิดถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้นิ่งในเมื่อใจของเรานิ่ง อ, อ, อยู่กับที่ใจของเราจะรวมนะทีนี้รวมสงบเป็นหนึ่งสติกับจิตเรื่องความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เออมันจะไม่รับรู้ทางกายฝนตกที่นี่นก็ไม่รับรู้ไม่ส่งไม่ส่งมาทางหูเลยล่ะไม่ส่งไปทางออกไปทางนอกจิตใจเน่งอยู่ในใจเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะเออเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอ่านกันเป็นคนละส่วนกันชัดเจนในความรู้สึกเอ่อพราะฉะนั้นให้พวกเราคณะสัตยาติยมลูกหลานทุกคนนะ่ะ กายกับใจใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกันที่หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายว่าร่างกายเหมือนกับรถนะลูกหลานนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถนะเออคนขับรถกับรถนะ่ะรถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันนะ่ะใจของเราเนี่ยมันตุวนอยู่ในร่างกายเพราะนั้นสมควรยิ่งอย่างพวกเราวันนี้แหละที่มาท่านผู้ว่าท่านพานาพาลูกหลานมาทาบุญเนี่ย แปลว่าเราเข้ามาอบรมโซเฟอร์โซเฟอร์รถนะโซเฟอร์รถต้องเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่ดี น, ะ, นะจากโมโหโกธาต้องมีเหตุมีผลนะการจะดำเนินชีวิตต้องมีกฎกติกาต้องมีกฎหมายต้องมีศีลธรรมกิริยธรรมที่ดีนะอันนี้ท่านผู้ว่าท่านพามาเข้าสู่วัดวาศาสนาไม่ใช่แต่วัดหลงพ่อนะท่านจะ เรียงลำดับไปเรื่อยๆเน่ยแต่ละเดือนหรือแต่ละท่านจะเหมาะสมยังไงแต่ละอําเภออําเภออําเภอไปนะแต่ท่านมาตั้งที่วัดของหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านพานําลูกหลานเออเอาสู่เอาธรรมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเข้าสู่โซเฟอร์ตัวนั้นแหะให้โซเฟอร์เป็นผู้มีเหตุมีผลเออรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควร ในเมื่อโชเฟอร์ได้รับการอบรมดีแล้วนะี่นำกายวาจาของเราออกไปใช้ก็เกิดประโยชน์วาจาก็ไม่เป็นโทษร่างกายก็ไม่เป็นโทษก็เห็นหลยเพราะใจโซเฟอร์นั้นเป็นผู้มีได้รับการเรียนรู้ในกา ร, รศึกษามีคุณธรร ม, รรมจริยธรรมจริยธรรมดนะีเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนะ คือพระท่านผู้ว่าและคณะกนัตายาดโยมทุกหมู่เหลา่าลูกหลานทุกคนไต้มาร่วมกันทําบุญในการผู้ว่าพาทำบุญในวันนี้นะแต่หลวงพ่อเองไม่อยากจะพูดยาวรว่นเพราะฝนมันตกฝนมันแข็งหลวงพ่อละเกินแต่ว่าเป็นวันสําคัญยิ่งหลวงพ่อก็ต้องพยายามพูดสู้กับฝนวันนี้นะ เออตอนนี้ไปก็คิดว่าคงจะสู้ผลไม่ได้แล่ละก็คงจะยอมแพ้นะ อ, อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอโนุโมทนาให้พรในต้นนี้นะคณะทายาทโยมท่านผู้ว่าก็ปรวดน้ำบด ท, ทิศสวนกุศลลูกหลานทุกคนเมื่อเราได้มาทำบุญในพระพุทธศาสนาในวันนี้นะเออ แมาว่าเราต้องอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุ ป, ปการะคุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศานายาิญาติมิตรหายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำอนุโมทนาและติดเนะ